ว่าอะไรไม่รู้เราไม่เชื right. <c oughs> ่อเร่องนั้นโอ้แล้วไอ้คนนี้ก็ไอ้คนนี้ขอไปโดยไอ้คนคนละหาพัแต่มี่วลายเดองแกไม่ยอมไปเอาตามแฟดไอ้บ้านที่ล้มสายตึงว่าอาจจะมีการประมาณได้ใวสมการเราลุ้งใจในของคำแนะนำจากคุณพ่อว่าดัว่ไม่ทั้งร้านไม่ทั้งทํายังไงจะไปได้ให้เขาไปตามไม่กับเรื่องมไม่ ก็ว่าไม่ช้าไม่คุณไงอวตามนั่นก็บหมไอ้ี่เราแก้ไม่ได้ก็ตามมันวันที่่านั้ มาจะไหวเป็นพระทานจะตั้งสักหมื่นบาทถวายเพื่อสร้างวิหารทานสรวัดจะได้ทั้งวีมารด้วยแล้วก็สวยด้วยเป็นนางฟ้าด้วยในตังบาทนะแม่พระจารีบุต่ยิ่งกว่านี้นะแม่พระจารีบตรเป็นเรจะไฟังไม่แล้หรือไม่ก็เลาเลยคนเขาฟังกันนานแล้วดูนี่ยมาใหม่เยอะโอ้โหเป็นดเป็นที่ก็เยอะ ที่าปิชาีนะไปสอนเนี่ยดะบอกว่าตอนทีบทคนหนึ่งทดาเข้ามาบ่ายท้านจลละลงนรกเยี่ยมไปดูสต์นรกใช่ไหม<อ>ขึ้นมาแดงเปรตแต่ความจริงท่นต้องรู้ว่มแม่ท่นาร้อยชผ<อ>่านมานเรตแการเวลาที่จะช่วยมันจะช่วยไม่ <S <S ไ, มได้แม้แตการเวลาที่จะช่วยได้ เต่เรามองหน้าท่นานะาว่าท่านจำฉนได้ไหมระศีต้องตนยากนจำได้จะรู้ก็ต้องทำไม่รู้ใช่ในปีรามต้อยากเหมือนกันต้องำตามพระเจ้าเก็บอกว่าเมาื่อร้อยชาติผ่านมาแหท่านเป็นลูกฉันถ้าท่านเป็นคนใจบุญพ้นทานนฉันเป็นคนใจร้ายไม่มีไม่มีได้ตายมาเป็นเปรตมีคามทุกข์มาก ถ้าสายบุตรก็ถามว่าถ้าจะช่วยจะทำยังไงแวไปบอกถ้าจะช่วยขอจะไหวทันแกไม่สงสักสามวันคงจะไม่ชนะคนเดิมก็รุ่งขึ้นไปสายบุตรไปดิยสบายกับมาท่านมีรุ่นอยห้ารองคนะไปดินบายกลับมาไปสอบเข้าเอาใบไม้มา นรานำพระบาทหนึ่งทรงให้พระข้าฟังคลื่นหนึ่งคลื่นส่งให้พระนังจากนั้นเวลาตอนสายก็ไปชวนพระอีกสามองค์เพื่อการจ้างวิหารนเวลามางงงตัดเสาก็ดีเสาไม้พ่ดพาดปไม้พาดกันนะไมาไปโดแกก็ที่สมุวรเนีัยได้มาอ๋ออุ้งคืดนั้นแปลว่าการกระโดนลา สารบุตรถวายแก่พระสงฆ์หนึ่งหยิบมือใส่ใบไม้ับข้าวนิดหนึ่งใส่ใบไม้ไปเป็นกันได้ร่าายเป็นทิแหนมรัาพกว้างขึ้นยาวขึถวายแล้ว ไ, ไปไปเห็นได้เคล่อประการตนทิแล้วก็ น, น้ำหนึ่งบาบาทปเได้จากโกรณีแต่เครงหนางแหง น, นทีงสี่ที่สร้างไว้จะเห็นได้ดีมา น, นี่พระสารบุตรทงทางไป บ, บาบ แม่นี่เขาต้องบาทแ้่ก็ทานทานนาทาแม่อะไร้็ไแต่ว่าถ้าว่าเป็นกานใหญ่คือมันคือสังฆทานเป็นมหาทานนะระยะีวาหวานของไม่ต้องปเรื่องจิติญาณเป็นทนประเภทตก็ขไม่ต้องบาทไม่ต้องมาเขาแค่บาทเดียวบาทก็พุทธรูป สัญญาณสแบบเ่าๆหนึ่งกายญาิปิมีความรู้สึกว่าร่างกายต้องตายเทวดาจิตฉายอมรับต่อผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพละอริยสงฆ์ใความจริงใจสามเสนาบดารามามีสินห้าบสุดแค่เนี้ยแค่ตุ่มาไปใก้ก็ไอ่ออกไปเลยฝากราให้ดีด้วยม่ตายายไอ้ที่ไกเกา กูจะนีนะเจ้าหนี่มานจะได้ตอบโบนัสทำไมเนี่ยการที่ต้องทำหน้าต้องใช้การจะเป็รโสตัวทำราอะไนั่นมันก็อรรันแต่กายดิตีก็ต้องไปปฏิบัติไม่เท่ากันบัศน์ดาวังจศกิทา คำสอนมากล่างกันหรือว่าบางทีรับคําสอนมาเหมือนกันแต่ไปสอนเจ้าบ้านต่างกันให้มัน เดียวไปมโซดาบันังจบเดียวไปว่ารายงนในเยอะโซดาบันเอาผ้าต้องลมแต่ตั้งใจจนิพพานเขาไม่กลับขนานตมพรุทธแบบน้นะพะุธเป็นพุทธาลิตเป็นกรรมฐานใหญ่มากที่พระพระต้โคดาจารย์ยนนาที่สุจิงไหมันถามว่ากรรมฐานเราสี่กองปฏิบัติกองไหนปิายนนหลที่สุดถ้าท่านจะตอบเองไม่มีใครรัคอบอกบกกองกองุธ การปติถ้าพูดเองต่อเองมันจะไม่ยากเลยในฐานะองแต่กนท่านจริงนะ ตัวอไปสงสัยผีถ้ารดน้ำไหวเขาทานได้แล้วถ้าผีจริงๆเขาต้องรักพ่อในสง ม, มนใหญ่อย่างน้อยที่สุดเขาเป็นเปรตอยู่ก็ตามเป็นสัมฤทิ์สิ้นามเขเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าชันทีเขาต้องรักแน่ไม่ใช่ ต้อมความหลังคือการซักซ้อมของเก่าเทานั้เองไม่ไดกใหม่เลยนะจ๊ะจะมีนนะให้คนที่เขาไม่เคยได้เลยมาก่อนมันทำได้ผมได้หรอว่าเดือเดือดอะไรกันใช่ใช่ต่างไปเพราการฝึกกํามันมีสองอย่างกับะจะุดคนเพิ่งเริ่มปฏิบัติชาติแรกอย่างหนึ่งกับจุกคนที่เคยได้มาแล้วทขาฝึของเก่า จะเลือกเราที่ยากยากมาสอนแต่ทำไมไม่ง่ายก็ไม่รู้เนีเ่ยคำ้ิฏิบัติ ไม่หมดทนายกูจงเป็นจงกามุ 两个爹没地方养你们。